3. อธิบายลาภะปริโภธ์คำว่าลาภหมายเอาปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เหล่านั้นเป็นเครื่องกังวลอย่างไรธรรมดาภิกษุผู้มีบุญไปณที่ไหนๆย่อมมีพวกมนุษย์พากันถวายปัจจัยซึ่งมีเครื่องบริวารเป็นอันมากภิกษุผู้มีบุญเช่นนั้น มัวแต่อนุโมทนาแสดงธรรมโปรดมนุษย์เหล่านั้นย่อมไม่ได้โอกาสเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงปฐมยามคือตั้งแต่หนาฬกาถึง22นาฬกาไม่ขาดจากการเกี่ยวข้องกับมนุษย์เลยพอถึงเช้าวันใหม่พวกภิกษุผู้ถือการบิณฑบาต ท, ที่มักมาด้วยปัจจัยมาเรียนอีกแล้วว่าท่านขอรับ อุบาสกคนโน้นอุบาสิกาคนโน้นอมตะคนโน้นทิดาของอมตะคนโน้นมีความประสงค์ที่จะได้เห็นท่านภิกษุผู้มีบุญนั้นพูดว่านี่นะคุณช่วยรับบาและจีวรไว้ด้วยแล้วก็ตรัสเรียมที่จะไปอีกฉะนั้นจึงเป็นผู้ขวนขวายในอันที่จะอนุเคราะห์อุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นตลอดการเป็นนิดปัดจจัยเหล่านั้น ย่อมเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุผู้มีบุญนั้นอย่างนี้ภิกษุผู้มีบุญพึงปลีกตนจากหมู่แล้วไปอยู่ตามลำพังผู้เดียวนาะทีที่คนทั้งหลายไม่รู้จักจึงจักเป็นอันตัดเครื่องกังวล น, นั้นได้ด้วยประการชนนี้สอธิบายคณะปริโน์ คำว่าคณะได้แก่คณะที่ศึกษาพระสูตรหรือคณะที่ศึกษาพระอภิธรรมภิกษุใดมัวแต่สารวนสอนพระบาลีหรืออัตถกาถาอยู่แก่คณะนั้นย่อมไม่ได้โอกาสเพื่อจะบำเพ็ญสมณะธรรมคณะจึงนับเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกสุนั้นพึงตัดเครื่องกังวล น, นั้นซะดังนี้ถ้าคำภีพิกษุเหล่านั้น เรียนไปได้แล้วเป็นส่วนมากที่ยังเหลือเล็กน้อยก็พึงสอนคำภีนั้นให้จบเสียก่อนแล้วจึงเข้าป่าบาเพ็ญสมณธรรมแต่ถ้าที่เรียนไปแล้วเพียงเล็กน้อยที่เหลืออยู่มากพึงเข้าไปหาอาจารย์ผู้สอนคณะรูปอื่นภายในกำหนดโยอหนึ่งอย่าไปเกินกว่ายอหนึ่งแล้วขอร้องว่าขอท่านได้กรุณาสงเคราะห์ภิกษุนักศึกษาเหล่านี้ ด้วยพระบาลีเป็นต้นด้วยเถิดเมื่อไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้พึงพูดว่าเธอทั้งหลายฉันมีกิจอย่างหนึ่งอยู่ขอให้พวกเธอจงพากันไปสู่ที่อันภาสุขตามสะดวกเถิดดังนี้แล้วพึงปลีกตนจากคณะไปบำเพ็ญสมณธรรมส่วนตนต่อไปห้า อธิบายกรร ม, มะปริโพธคำว่ากรร ม, มะหมายเอานวกรรมคือการก่อสร้างธรรมดาภิกษุผู้ทาการก่อสร้างนั้นจําต้องทราบว่าสิ่งใดที่ในช่างเป็นต้นได้ทำสิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำจําต้องพยายามขวนขวายในงานส่วนที่ทําเสร็จแล้วและที่ยังไม่เสร็จดังนี้ นวกรรมจึงเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุผู้นวกรรมมิกะนั้นตลอดไปแม้ภิกษุผู้นวกรรมมิกะนั้นพึงตัดเครื่องกังวลดังนี้คือถ้านวกรรมนั้นยังเหลือน้อยพึงทำเสียให้เสร็จถ้ายังเหลืออยู่มากหากเป็นนวกรรมของสงก็จงมอบมายให้แก่สงหรือแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีหน้าที่รับภาระแทนสง ถ้าเป็นของของตนก็จงมอบให้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้รับภาระของตนเมื่อไม่ได้ภิกษุเช่นนั้นก็จงตัดใจสละแก่สงฆ์แลพึงไปบำเพ็ญสมณธรรมเถิด 6. อธิบายอัฏฐานะปาลิโพธคำว่าอัฏฐานะ ได้แก่การเดินทางจริงอยู่ภิกษุใดมีเด็กๆที่จะบรรพชาอยู่ในที่บางแห่งก็ดีมีปัจจัยลาบบางอย่างที่ควรจะได้ก็ดีถ้าเมื่อภิกษุนั้นไม่ได้ทำกิจนั้นให้สาเร็จหรือยังไม่ได้ปัจจัยลาบนั้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตให้หยุดคิดได้แม้ถึงจะหลบเข้าป่าไปบาเพ็ญสมณธรรมอยู่ก็ตาม จิคิดที่จะไปเพื่อทํากิจนั้นเป็นสิ่งที่จะบรรเทาได้ยากเพราะฉะนั้นพึงไปทํากิจนั้นให้สําเร็จเสร็จสิ้นก่อนแล้วจึงพยายามขวนขวายในอันที่จะบําเพ็ญสมณธรรมต่อไปได้ยินว่างานบนรรพชาเด็กๆในตระกูลที่ประเทศศรีลังกาหรือประเทศพม่า ก, ก็เช่นเดียวกันเป็นเช่นกับงานอวาหะมงคลและวิวาหะมงคล คือทำเป็นงานใหญ่เหมือนงานมงคลสมรสเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเลื่อนวันที่กำหนดไว้แล้วนั้นได้พึงตัดเครื่องกังวลด้วยการช่วยสงเคราะห์ทากิจนั้นให้เสร็จสิ้นไปเจ็ดญาติผลิโพดคำว่าญาติได้แก่บุคคลมีอาทิอย่างนี้คือญาติในวัด ได้แก่พระอาจารย์พระอุปชาสัตธิวิหาริกอันเตวาสิกและภิกษุผู้ร่วมอุปชาร่วมอาจารย์กันญาติในบ้านได้แก่โยมมัรดาโยมบิดาและพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวญาติเหล่านั้นที่เจ็บไข้ได้ป่วยย่อมเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุนี้เพราะฉะนั้นพึงตัดเครื่องกังวลนั้น ด้วยการปฏิบัติบำรุงธรรมญาติเหล่านั้นให้หายเป็นปกติในบรรดาญาติเหล่านั้นสำหรับพระอุปชาอาพาธถ้าท่านเป็นโรคชนิดที่ไม่หายเร็วสัตวิทวิหาริกพึงอยู่ปรนิบาต ท, ท่านแม้ถึงตลอดชีวิตบรรประชาจารอุปสัมปทาจาร์สัตวิทวิหาริกอันเตวาสิกผู้ที่ตนเป็นกรรมวาจาอุปสมบทและบรรพชาให้และภิกษุ ผู้ร่วมพระอุปชากันก็พึงปฏิบัติตลอดชีวิตเช่นกันส่วนนิสยาจาร์อุเทสาจารย์นิสยันเตวาสิกอุเทสันเตวาสิกและภิกษุผู้ร่วมอาจารย์กันพึงอยู่ปรนนิบัติตลอดเวลาที่นิสัยยังไม่ขาดและอุเทศคือการเรียนพระบาลียังไม่เสร็จสิ้นแต่สำหรับผู้มีความปรารถนาอยู่แม้จะพึงอยู่ปริบัติ ให้เลยกว่านั้นไปก็ได้เหมือนกันในโยมหญิงโยมชายคือบิดามารดานั้นพึงอยู่ปรนนิบัตเช่นเดียวกับพระอุปชาแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะดำรงอยู่ในราชสมบัติและไม่ต้องการซึ่งการปรนนิบัตบำรุงจากบุตรก็ยังต้องทำอยู่นั่นเองถ้าเภสัตชของท่านไม่มีพึงให้เพสัตชของตนเอง แม้ของตนเองก็ไม่มีพึงเสาะหาด้วยภิกษาุจาริยาวัดแล้วให้แก่ท่านส่วนพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวพึงประกอบเพสัตชอันเป็นของของเขาเท่านั้นให้ถ้าของของเขาไม่มีก็พึงให้ขอยืมของของตนไปก่อนภายหลังเมื่อจะได้ก็พึงรับคืนเมื่อจะไม่ได้ก็ไม่ต้องทวง สำหรับสามีของพี่สาวน้องสาวที่ไม่ได้เป็นญาติมาโดยกำเนิดจะประกอบเพศัตวให้ก็ดีจะให้เพศัตวก็ดีไม่สมควรทั้งนั้นแต่พึงมอบให้พี่สาวหรือน้องสาวไปพร้อมกับสั่งว่าจงให้แก่สามีของเธอแม้ในกรณีภริยาของพี่ชายและน้องชายที่ไม่ได้เป็นญาติก็พึงปฏิบัติทานองเดียวกันนี้ ส่วนบุตรทดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนั้นนับเป็นญาติของภิกษุนี้นั่นเทียวเพราะฉะนั้นการที่จะประกอบยาให้เขาเหล่านั้นย่อมเป็นสิ่งสมควรันนี้ปอธิบายอาพาธปริพโน์คำว่าอาพาธได้แก่โรคชนิดใดชนิดหนึ่ง โรคนั้นเมื่อมันเบียดเบียนอยู่ย่อมเป็นเครื่องกังวลเพราะฉะนั้นพึงตัดด้วยการประกอบเภสัตรรักษาแต่ถ้าแม้เมื่อประกอบเภสัตรรักษาอยู่ชั่วการหนึ่งแล้วมันยังไม่หายแต่นั้นพึงตำหนิอัตภาพว่าฉันไม่ใช่ทาสของเธอไม่ใช่ผู้เลี้ยงดูเธอเมื่อฉันขืนเลี้ยงดูเธอต่อไปก็จะประสบทุกข์ในสังสารวัฏอันไม่ทราบเบื้องต้นและที่สุดเท่านั้น ชันนี้แล้วพึงปลีกตนไปบำเพ็ญสมณธรรมเถิด 9. คันทะปริโพธคำว่าคันทะหมายเอาการรักษาปริยติธรรมการรักษาปริยติธรรมนั้นย่อมเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุผู้ขวนขวายด้วยการสาธยายและการทรงจำเป็นต้น ย่อมไม่เป็นเครื่องกังวลสำหรับภิกษุผู้ไม่ขวนขวายนอกนี้ในกรณีที่การรักษาปริยติธรรมไม่เป็นเครื่องกังวล น, นั้นมีเรื่องตัวอย่างดังต่อไปนี้เรื่องพระมัชฌิมพานกะเทวะเทระได้ยินว่าพระมัชฌิมพานกะเทวเทระนั้นไปยังสำนักของพระมาลยาวาสิเทวเทระ แล้วขอพระกรรมฐานพระมาลยะวาสิเทวะเทระได้สอบถามว่าอาวุโสในทางพระปริยติธรรมนั้นคุณได้ศึกษามาอย่างไรพระมาชิมะพานกะเทวะเทระเรียนว่ากระผมชำนาญคำพีมาชิมะนิกายขอรับพระมาลยาวาสิเทวะเทระชี้แจงว่าอาวุโส ชื่อว่าคำภีมัชชิมะนิกายนั้นเป็นสิ่งยากที่จะรักษาอยู่เมื่อขณะสาธยายมูลปัปณาสกะอยู่นั้นมัชชิมปัปณาสกะย่อมแทรกมาโดยพลังเผลอเพราะสุดตบตรวาระทั้งหลายคล้ายกันเมื่อขณะสาธยายมัชชิมปัปณาสกะอยู่นั้นอุปริปั น, นาสกะย่อมหลงแทรกมาคุณจักมีโอกาสทํากรรมฐานที่ไหน พระมัจฉิมภานกะเทวเทระเรียนรับรองว่าไม่เป็นไรขอรับกระผมได้กรรมฐานในสำนักของท่านไปแล้วจักไม่ดูพระคำพีอีกต่อไปหลังจากรับเอาพระกรรมฐานไปแล้วพระเทระมิได้ทําการสาทยายเป็นเวลาถึงสิบเก้าพันษาครั้นต่อมาพันษาที่ยี่สิบท่านก็ได้บรรลุพระอรหันต ท่านได้พูดกับภิกษุที่มาหาเพื่อต้องการให้สายายว่าอาวุโสทั้งหลายผมไม่ได้ดูพระปริยัติมาถึงยี่สพันษาแล้วก็แต่ว่าผมได้ทำการสั่งสอนมาแล้วท่านทั้งหลายลองเริ่มสาธยายณตรงนี้ครั้นแล้วพระเทระก็ไม่ได้มีความสงสัยในพยัญชนะเพียงตัวเดียวตั้งแต่ต้นจนจบ เรื่องพระนาคเทระแม้พระนาคเทระผู้อาศัยอยู่วัดป่ากรุลิยะคีรีก็ได้ทอดทิ้งพระปริยติธรรมไปบำเพ็ญสมณธรรมถึงส8ปดพรรษารันต่อมาท่านได้แสดงคำพีวัตถุกถาแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้นำไปเทียบเคียงดูกับที่พวกพระเทระผู้คามวาสีแสดง ก็ปรากฏว่าที่มาโดยผิดลำดับนั้นแม้เพียงปัญหาข้อเดียวก็มิได้มีเรื่องพระจุลพยะเทระแม้ที่วัดมหาวิหารก็มีพระเทระรูปหนึ่งชื่อจุลาพยะทรงจำพระไต่ปิฎกแต่ไม่ได้เรียนคำภีอัตกถาเลยแล้วได้ให้ตีกลองสุวรรณในเพรีประกาศว่า ข้าพเจ้าจะแสดงพระไตรปิฎกณสนามแห่งพุทธบริษัทผู้เรียนนิกายห้าภิกษุสงฆ์ได้กล่าวเตือนว่าพระบาลีของพวกอาจารย์ที่ไหนกันคุณจงแสดงเฉพาะพระบาลีที่เรียนมาจากสำนักอาจารย์ของตนเท่านั้นที่จะแสดงนอกลู่นอกทางไปนั้นพวกเราจะไม่ยอมเป็นอันขาดฝ่ายพระอุปัชาเมื่อพระจุลพยาเทระนั้น ไม่ยังที่อุปถากจึงได้สอบถามว่าอาวุโสเธอให้ตีกลองประกาศหรือพระจุลพญะเทระเรียนว่าใช่แล้วขอรับพระอุปชาซักว่าเธอให้ตีกลองประกาศทำไมพระจุลพญะเทระเรียนว่ากรบผมจกแสดงพระปริยติธรรมขอรับพระอุปชาจึงลองตั้งปัญหาถามว่า นีแน่อวุโสอภยะธรรมะบทนี้อาจารย์ทั้งหลายอธิบายอย่างไรพระจุลาพญเทระเรียนตอบว่าอธิบายอย่างนี้เขอรับพระอุปชาคานพระจุลาพยาเทระได้เรียนตอบโดยปริยายอื่นๆอีกถึงสามครั้งว่าอาจารย์ทั้งหลายอธิบายอย่างนี้อย่างนี้เขอรับพระอุปชาก็คานหมดทุกปริยายและกล่าวแน้นนาว่า อาวุโสอภิยะที่เธอตอบครั้งแรกนั้นถูกแล้วเป็นกระทมรรคของอาจารย์ละแต่เพราะเหตุที่เธอไม่ได้เรียนต่อปากของอาจารย์เธอจึงไม่อาจตั้งหลักอยู่ได้ว่าอาจารย์ทั้งหลายอธิบายอย่างนี้เธอจงไปเถอะไปเรียนในสำนักของพระอาจารย์ทั้งหลายผู้ควรจะสอนเธอได้พระจุฬาภยะเทระเรียนถามพระอุปชาว่า กระผมควรจะไปเรียนณนที่ไหนก็รับพระอุปชาได้แนะนำว่าพระเทระชื่อมหาธรรมรักิตะเป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฎกได้อย่างครบถ้วนอยู่ที่วัดตุลาทานปบพศวิหารในโรหนะชนบทฝั่งแม่น้ำฟากโนนเธอจงไปยังสำนักของท่านนั้นเถิดพระจุลาพญะเทระรับคำพระอุปชาว่าสาธุขอรับ กราบลาพระอุปชาแล้วพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยได้ตรงไปยังสำนักของพระธรรมรักษิตเทระครั้นไปถึงกราบนมัสการแล้วก็ได้นั่งคอยโอกาสอยู่ขณะนั้นพระเทระจึงทักขึ้นว่าเธอมาทำไมพระจุลาพญะเทระเรียนว่ากระผมมาเพื่อฟังธรรมขอรับ พระเถระให้โอกาสว่าอาวุโสอภยะนักศึกษาทั้งหลายพากันเรียนถามผมแต่ในคำพีทีะนิกายและมัชฌิมนิกายตลอดการส่วนคำพีที่เหลือผมไม่ได้ดูมาเป็นเวลาส0สิพรรษาแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณจงช่วยสอนธรรมะในสำนักของผมเวลากลางคืนก็เล่ากันส่วนเวลากลางวันผมจะแสดงธรรมให้คุณฟัง พระอภยเทระรับคำพระเทระว่าสาธุ ข, ขอรับแล้วได้ปฏิบัติตามที่ได้ให้ปฏิญญานั้นทุกประการชาวบ้านทั้งหลายได้ให้สร้างวนดบคือปารำรขนาดใหญ่ขึ้นที่ตรงประตูบริเวณแล้วได้พากันมาฟังธรรมทุกๆวันในเวลากลางคืนพระเทระก็ได้สอนธรรมะเหมือนกันเมื่อพระธรรมรักขิตเทระ แสดงธรรมอยู่ในเวลากลางวันนั้นครั้นทําให้การแสดงธรรมจบลงโดยลำดับแล้วจึงลงจากตังมานั่งบนเสือ่อณที่ใกล้พระอัพยะเทระแล้วพูดว่าอาวุโสอภยะคุณจงสอนกรรมฐานให้แก่ฉันด้วยพระอัพยะเทระเรียนว่าท่านพูดอะไรขอรับกระผมฟังธรรมอยู่ในสนักของท่านแท้แท้ไม่ใช่หรือ จะให้กระผมสอนธรรมะที่ท่านได้ทราบแล้วอย่างไรลำดับนั้นพระเทระได้พูดกับพระอภิยะเทระว่าชื่อว่าทางของผู้บรรลุถึงธรรมแล้วนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งได้ยินว่าเวลานั้นพระอภิยะเทระนั้นเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลเมื่อเป็นเช่นนี้ ท่านจึงได้ให้พระกรรมฐานแก่พระมหาธรรมราคิตะเทระนั้นครั้นแล้วก็ได้กลับมาสอนธรรมะประจำอยู่ที่โลหะประศาสตต่อมาท่านได้ทราบข่าวว่าพระเทระปรินิพานเสร็แล้วครั้นท่านได้ทราบข่าวดังนั้นจึงบอกสิทธิ์ว่าคุณช่วยหยิบจีวรมาให้ทีท่านห่มจีวร อ, อย่างเป็นปริมนทนเพื่อแสดงคารวะแก่พระอาจารย์ เล่ากล่าวสรรเสริญคุณของพระอาจารย์ในถํากลางภิกษุทั้งหลายว่าอาวุโสทั้งหลายพระอาหารหันตมรรคเป็นคุณสมควรแก่พระอาจารย์ของเราพระอาจารย์ของเราเป็นบุคคลที่ซื่อตรงโดยไม่มีมารยาสาไทยเป็นบุรุษอาชาในพระอาจารย์ของเรานั้นท่านลงจากตังมานั่งบนเสือณที่ใกล้เราผู้เป็นธรรมมันเตวาศิกยของท่าน แล้วพูดว่าคุณจงสอนพระกรรมฐานให้แก่ชั้นชันนี้อวุโสทั้งหลายพระอรหัตตมักเป็นคุณอันสมควรแก่พระเทระโดยแท้คันทะคือการรักษาปริยติธรรมยอมแม่เป็นเครื่องกังวลสำหรับภิกษุทั้งหลายผู้มีคุณสมบัติเห็นปานดังนี้ด้วยประการชะนนี้ 10. อธิบายอิทธิปริโพ์คำว่าอิทธิหมายเอาอิทธิฤทธิ์อันเป็นของปุถุชนก็แลอิทธิฤทธิ์ของปุถุชนนั้นย่อมเป็นสิ่งที่รักษาได้ยากเหมือนทารกที่ยังนอนหงายและเหมือนข้าวกล้าที่ยังอ่อนย่อมเสื่อมไปได้ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าอิทธิฤทธิ์ปุถุชนนั้นเป็นเครื่องกังวลแก่วิปัสนาเท่านั้น หาเป็นเครื่องกังวลแก่สมาธิไม่เพราะการผ่านสมาธิมาแล้วจึงจะได้บรรลุถึงอิทธิฤทธิ์อธิบายว่าอิทธิฤทธินั้นเป็นเครื่องกังวลแก่วิปัสสนาสำหรับโยคีบุคคลผู้เป็นสมทะยานิกมีได้เป็นเครื่องกังวลสำหรับโยคีบุคคลผู้เป็นวิปัสสนาญานิกเพราะว่าโดยมากโยคีบุคคลผู้ได้ชานแล้ว ย่อมเป็นสมถยญานิกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโยคีบุคคลผู้ต้องการวิปัสสนาจึงจะต้องตัดอิทธิปริโพธส่วนปริโพธที่เหลืออีกเก้าอย่างโยคีบุคคลผู้ต้องการสมถะนอกนี้จำต้องตัดด้วยประการชนนี้อธาธิบายความอย่างพิสดาร เนปริโพโธตถาอันเป็นประการแรกยุติเท่านี้